อาตมาก็ออกจากวัดมาก็สุดท้ายนะจริงๆแล้วก็ถ้าไม่ได้มาเจอหลวงพ่อตรงนั้นอาตมาคลาสติคขาไปแล้วก็ว่า <c oughs> ชีวิตออกาออกจากบวชหนึ่งบวชอยู่ที่นั่นก็ไม่มีนะครูบาอาจารย์ที่จะดูแลแล้วก็พาปฏิบัติก็ให้เราทำเอาเองนะปฏิบัติกันเองนะแต่มันก็ทำอยู่ทำอยู่แต่มันไม่รู้ สติก็ไม่รู้ว่าสติเป็นยังไง ร, รูปเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องธาตุสี่กันห้านี่ไม่รู้เรื่องเลยนะไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ก็ทานะตัมมาเป็นคนทนนะเป็นคนทนเป็นคนทมแต่ว่าก็ไม่มีกูบาที่จะชี้แนะชี้แนวให้เราได้เข้าใจได้รวดเร็วแต่ก็สะสมไปเรื่อยๆช่วงนั้นก็ออกช่วงออกพรรษา พา ก, ก็คิดว่าก็จะลาศิกขานะก่อนที่จะลาศิกขาก็ขอได้ไปหาที่ปฏิบัติสักที่หนึ่งนะก็ถามท่านอาจารย์วิไยช่วงนั้นอาจมาบวชอยู่ที่นั่นที่เทพอระฐานในที่ชาวเศาอัภาาเพอท่าตะเกียบก็ถามท่านว่าที่ ตรงไหนนะมีที่ปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์มั่นะเพราะว่ามันทุกข์มากเป็นค า, า, วารวะก็ทุกเต็มที่แล้วมาบวชเป็นพระก็ทุกข์มากอีกนะเห็นเพื่อนราสิกขาไปหมดก็อยากลาสิกขาแต่ช่วงนั้นอาตมาจิตไอมันวุ่นวายมากมีแต่ความอาฆาตพยาบาทนะถ้าราสิกข า, าไปก็ไปฆ่าเ ข, า, ขาตายเลยฆนะ่าเขาตายก็ติดคุก ช่วงนั้นบวชมั น, นึ่งพษาก็วางแผนฆ่าอย่างเดียวมันสู้ความคิดไม่ได้วางแผนฆ่าฆ่ายัางไงจะให้สมแข็งมันมันทุบมากนะมันออกไม่ได้อะมันออกจากความคิดไม่ได้คิดไปคิดมามันก็มาเรื่องลืมวนไปวนมาก็มาเรื่องเดืมจนในสุดท้ายจะมาคิดว่าก่อนไหนๆที่จะที่จะลาก่อนจะลาสิกขาก็ ถามอาจารย์มาที่ไหนมีสถานที่ปฏิบัติที่พอที่จะระงับความอาฆาตปยาบาดได้บ้บาง น, นะอาจารย์ก็จาําม่ไดท่านก็ไม่ห่วงนะท่านก็บอกว่ามีงานอยู่งานหนึ่งคื อ, อที่สิงห์บุรีเนี่ยอที่จันทบุรีอำเภอแหล่มสิงหนะ์ห้าวันแต่มาก็เลยบอกว่าให้ผมไปได้ไหมอาจารย์นะถ้าผมไม่ไปผมก็จะลาสิกขา ท่านก็กลัวเราศึกเนะาะราศิกขาท่านก็บอกว่าไปอะไปได้แต่อย่าไปทำให้เสียชื่อเสียงนะก็เห็นเราเป็นคนที่เล า, า, าเมายานะท่านบอกว่าสายลงพ่อเทียนเนี่ยยังไงต้องไปนะเข้ากับหมู่คณะเนี่ยยังอย่างพ่อมหาเนี่ยนะช่วงนั้นก็บอกไปแล้วต้องเรื่องยาสูบ เรายังติดยาสูบติดกาแฟนะมันก็เอ๊ะทำยังไงเราก็ติดยาสูบแล้วก็สูบมากนะช่วงนั้นเพราะว่ามันออกจากความคิดไม่ได้ช่วงนั้นพอเราเลิกเล่าออกละเล่เ า, เามาละเล่าเข้ามาเราก็มาเพิ่มยายาสูบช่วงนั้นตอนนี้พอมันทุกข์ขึ้นมานะ่ยมันหาทางออกไม่ได้มันก็สูบยาเนาะ ต่อมวนต่อมวนมวนต่อมวลนนะทา่านก็ตายไปแล้วมั้งเนี่ยท่าออกจากตรงนั้นไม่ได้นะก็เลยมาอ้าวยอมนะก็บอกรับตากับท่านว่าเลิกเป็นเลิกนะดีกว่าเราจะตายในกองฟุกแบบนี้นะแค่เลิกยามันจะเป็นยังไงมันจะตายถ้ามันตายไปแต่มันเลิกยากจริงนะแต่ามาเป็นคารวะพยายามเลิกหลายหนหยุดหลายหลุ่นมันหยุดไม่ได้เจ็ดวันสิบห้าวันเดากลับไปที่เดิมอีกนะก็ามา ที่นั่นแหละที่แหลมสิงห์นะเพื่อแหลมสิงห์จันบุรีมาไปเจอหลวงพ่อก็มีพระเยอะนะช่วงนั้นมีพระประมาณหกสิบรูปนะหกสิบนะรูปซึ่งช่วงนั้นก็เป็นวัดเป็นวัดบ้านนะไม่ใช่วัดป่านะเป็นวัดบ้านมีตลาหลังใหญ่หลังเดียวแล้วก็ป่าก็ไม่ดีมีตะบอกกุ้งลอกไปหมดเสียงเครื่องเสียงไรดังคนผู้คนพวกผ่าน เอาไปปฏบิบัติวันแรกอาตมาคิดว่าโอ้ยตายคูมาหนีทุกมามาเจอทุกอีกนะทั้งเสียงคนทั้งเสียงรถทั้งเสียงเครื่องบ่อกุ้งคนเข้ามาทําบุญก็เสียงดังเสียงรั่นโอ้ยตายแล้วจะมีสมาธิอย่างไงนะไปหาตรงไหนวะนะวันี้หลวงพ่อก็พาไปที่เมนมีที่เมนอยู่ที่หนึง่งนะไปปฏิบัติกันตรงเมนอาตมาก็ไปที่นั่นนะ ก็ปฏิบัตินปฏิบัติช่วงแรกๆมันก็คิดว่ามันสู้ไม่ไหวหรอกอสู้ไม่ไหวเพราะว่ามันลาคาลเสียงเครื่องบอกุ่งเขาเยอะะแล้วก็คนมาทําบุญก็เสียงดังในสลาเสียงรถแต่ก็ทนทําเอาเพราะว่ามันทุกข์มากมันทําวันหนึ่งวันแรกก็คิดว่าอืมถ้ามันไม่ดีนะวันที่สองวันที่สองวันที่สามก็จะกลับแล้วแหละมัน มันยิ่งทํามันก็ยิ่งทุกข์นะจากทุกข์จากความคิดแล้วยังจะมาทุกข์กับเรื่องของการลาคาญเครื่องปั่นบ่อกุ้งเขาอีกแล้วก็ําคาญคนช่วงนั้นมันลาคาญไปหมดเลยลาคาญหูลาคาญตาตาเห็นก็ลาคาญหูได้ฟังก็ลาคาญไปหมดมันวุ่นวี่วุ่นวายไปหมดเลยในจิตใจมันก็วุ่นยุ่งยิ่งกันไปหมดเลยนะไม่รู้จะเอาทางไหนเลยนะยิ่งปฏิบัติไปก็ง่วงมาก ไม่ง่วงก็คิดไม่คิดก็ง่วงอยู่สองอย่างนี่แหละนะเอาพอหูได้ยินเสียงก็ไปรำคาญเขาอีกตาเห็นก็ไปวุ่นวี่วุ่ น, ว, นวายเลยโ้ยมั่วไปเลยคนนี้เอา้ามันจะเป็นยังไงก็เป็นนะกระทามนะก็ทำย่องนั้นหลวงพ่อก็คุมพระอยู่มีพระอยู่พระทำไปขา้มานะพอสามวันนะพระเหลืออยุสิบกว่าลูกจากหกสิบรูปนะ พอมาทำจริงๆนะเอากันจริงเข้านะค่อยๆลดลงเรื่อยลดลงเรื่อ ย, ลลรอยพระตั้งแตมาเหลืออยุแปดนะที่มาปฏิบัติอยู่หลวงพ่อเนะี่ยเหลื อ, อยุแปดเหลือยุแปดเก้ารูปนั่นแหละนอกนั้นไม่เอาละนะกลับบ้างนะพอได้เทศได้อะไรก็กลับบ้างแล้วก็ไม่มาบ้างเนะี่ยไม่ทำไม่เอากันละช่วงนั้นกาจะมาก็ทำนะช่วงวันที่สองวันที่สองก็เออรู้สึกว่ามันมันดีขึ้นนะเพราะว่า ก็ปฏิบัติด้วยกันนะเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะนะเราก็ทําได้แต่มันก็ง่วงมากคิดมากพอวันที่สามนี่หละก็คิดว่าเออวันนี้วันสุดท้ายแล้วละถ้ามันไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเราเราก็จะขอลากลับไม่ไม่ให้กลับก็จะหนีกลับกล่าไว้ย่างไงก็ช่วงตั้งแต่ฉันอาหารเสร็จนะมาฉันอาหารช่วงเช้าเสร็จรับงานมันก็ไม่มีร่มไม้นะร่มไม้นยเล็กนะไม่มีร่มไม้หรอกเอาวันนี้ก็วัน ที่ว่าวันสุดท้ายเนี่ยว่าทุกว่าจะกลับก็ไปนั่งปฏิบัติพอรับอาหารเช้าวสทธิเขาต้มเิรอะไรเสร็จก็ไปรอปฏิบัติรออาตมาก็นั่งอย่างเดียวนะช่วงนั้นนั่งมันง่วงง่วงมากกันมันทำยังไงแก้ยังไงมันก็ไม่หายในความง่วงเนี่ยอาตมาเนี่ยเ ด, เ, ดกก เ, ดเดินตากแดดก็เดินเดินตากแดดนะ เดินตากแดดแดดนอนก็เดิ น, ด น, อ น, น, อนหินดําเหล่หินลูกหลังที่ก็เทอป็นนันนะก็เดินบนหินก็เดินทํายังไงมันก็ไม่หายง่วงนะง่วงมากคิดมากก็เลยเอาวันนี้นั่งดูซิมันจะเป็นยังไงมันก็มีสามสามอย่างเลยคันนี้นะอะนั่งไม่เปลี่ยนท่านั่งคัตมาไม่เปลี่ยนท่ามันก็เพิ่มความปวดมาอีกเวทนานะเพิ่มความปวดมาอีกเอาดูซิมันจะเป็นยังไงง่วงปวด นะง่วงแล้วก็ปวดขาแล้วก็คิดเอาออกจากความง่วงก็มาคิดออกคิดไปปวดคนนี้ไม่เปลี่ยนมันสามอย่างเลยค่านี้นะเอาดูที่มันจะเป็นยังไงตายมันตายวันนี้เนี่ยนะก็ไม่ไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนไม่ลุกไม่เปลี่ยนมันมันสู้ไม่ไหวแล้วเนี่ยเปลี่ยนยังไงมันก็มั น, ม, นมันสู้ความง่วงไม่ได้สู้ความคิดไม่ได้ก็ไม่เปลี่ยนวันนั้นก็เต็มที่เลยก็นั่งพราะมันปวดมากเข้าปวดมากเข้า เอาออกจากความปวดขนาดตปว ด, ดมันก็ยังง่วงอีกนะนะง่วงอ่ามันก็จะเผลอมาคิดอีกคิดแต่เรานั่งยกมือสร้างจังหวะเนี่ยนั่งยกมือสร้างจังหวะเราไม่รู้สึกตัวเลยนะยกมืออยู่นะมือก็ยกอยู่แต่มันไม่ได้ออกมาเนี้เพราะอาตมาได้ผ่านตรงนี้มาได้นะอาตมามาได้มาดูซีดีหลวงพ่อเทียนเนะี่ยที่พาชาวสิงคโปร์ที่เดินรอบอยู่ในห้องนะที่หาทางออกเนะี่ยจิตของอาตมาเป็นแบบนั้นเลยมันหาทางออกอนะ่ะ เออปัญหาทางออกอ่ะที่หลวงพ่อเทียนพาคําคำคำคำหาทางออกปัญหาทางออกไม่ได้นะทั้งทั้งที่นั่งยกมืออยู่เนี่ยมันมันมันไม่รู้สึกตัวเนี่ยอนั่งยกมือสร้างจังหวะมันไม่รู้สึกตัวนะคอมันเต็มที่เลยมันทุกเต็มที่เลยมันหาทางออกมาเลยมันมารู้สึกหลุดที่มือเนี่ยพุ่วออกมาอยู่ที่มือเนี่ยมันสว่างโล่งเ่ยออกหมดเลยนะความคิดหายไปเลยความคิดเนี่ยความคิดความง่วงความปวดเอ๊ะเมื่อกี้นี้มันปวดเหมือนขาจรุดเนี่ย บ้านขยับขาขาก็ไม่ปวดอ่ะมันเหมือนไม่มีอะไรเลยความคิดความคิดนิดไม่ต้องห่วงเลยความคิดนิดหลุดออกไปเลยความคิดความง่วงโอ้ยวันนั้นทั้งวันนะอาตมาไม่ได้ฉันอาหารเลยละคังไม่รู้สึกตัวเลยนะช่วงนั้นตั้งแต่เจ็ดเจ็ดโมงครึ่งไปนะรับอาหารเสร็จอาตมาปฏิบัติไม่รู้เลยไม่เขาฉันอาหารช่วงกลางวันอาตมาไม่ได้ฉันอาหารเขเลยเดินก็ไม่ง่วงนั่งก็ไม่ง่วงหา นั่งยังไงมันนั่งให้มันง่วงมันก็ไม่ง่วงลองหลับตายมันมันก็ไม่หลับความคิดก็ไม่มีคราวนี้มีแต่มันไม่เอาแล้วมันเข็ดแล้วนะมันก็เลยบอกว่าโอ้ยไม่กลับไปเลเว้ยนะไม่กลับไปที่เก่าแล้วไม่กลับไปที่เดิมแล้วมันว่ามันมันพูดออกมาอ่ะไม่กลับไปที่เดิมแล้วนเฮ้เราก็สงสัยมันไม่กลับไปไหนมันไม่กลับไปที่วัดเลอแต่เราก็คิดว่าเราจะไม่กลับล้ก็เลย บอกหลวงพ่อสามารถตอนนั้นหลวงพ่อสามารถจะไม่ได้ลาสิกขาไปบอกหลวงพ่อสามารถผมไม่กลับนะผมผมไม่กลับไปเทีประทานแล้วนะผมจะตามหลวงพ่อมาหาไปที่แพทบอกไม่กลับแต่ว่ามันมันไม่ใช่ไม่กลับไปไปวัดนะแต่พอมาปฏิบัติไปอีกเนี่ยอาตมามารู้ว่ามันไม่กลับไปที่เดิมก็คือไม่กลับไปทุกกับเรื่องที่เป็นอดีตเนี่ยเรื่องที่เราเคยผ่านมานะมันไม่กลับไปอีกมันมันก็ไม่กลับไปจริงๆ นะมันไม่กลับไปทุกข์กับเรื่องอความอาฆาตพยาบาทมันหลุดตรง น, นั้นเลยความอาฆาตพยาบาทมันหลุดเลยแล้วก็สงสารเขาคนที่เราจะไปฆ่าเขานะ่ะสงสารเขาอีกนะให้อภัยเขาตั้งแต่นั่นมาเลยนะให้อภัยเลยไม่มีความโกรธความแค้นเลยนะ แ, แถมไปสงสารเขาอีกอคนที่เราจะไปฆ่าเขาเนะ่นะก็เลยมานะทาพ่อมากับมาทำต่อ ช่วงนั้นทั้งได้เข้าค่ายเข้าค่ายสามสิบวันนะเป็นเดือนแล้วก็ได้เก็บอารมณ์ได้ปฏิบัติต่อเนื่องนะอาตมาได้ปฏิบัติต่อเนื่องมาตลอดเลยนะออกจากนั้นมาไปเข้าค่ายที่เชียงใหม่นะทัางทุบปูก็ไปส่นคุนบินนะก็ได้เข้าเก็บอารมณ์ยาวมาตลอดนะแล้วก็ได้มาออกจากนั่นมาก็อาตมาได้กลับไปทดสอบตัวเองอ่านะพอดีมีงาน เทพทานก็ขอหลวงพ่อไปว่าจะกลับไปช่วยงานอ า, อาจารย์มีไลอันหนึ่งกุมภาถึงเกหลวงพ่อก็บอกอมาเจอกันอีกทีนึงที่หนองพหลอดนะที่หนองพักหลอดนะฮะ ก, นะก็กลับไปอตาตมาก็ไปเจอคู่อริคิดว่ามันจะพูดแต่ปะมันจะคิดแต่ในใจคิดเฉยๆนะว่ามันจะไม่อาคาาพยาบาทเขามันสงสารเขาเนะ่ไปเจเอกันเลยนะเจะเอกันเขาก็ตกใจนะ เขาก็ตกใจแต่เราเนี่ยเฉยเฉยนะมโนใจตัวเองนี้มันเฉยเฉยจากแต่ก่อนนะเราเจอเขาเนี่ยปากจะสั่นมือจะสั่นหน้าจะเปลี่ยนสีมันจะเหมือนสัตว์นรกที่จะเคยจากที่จะคอยกัดนะที่จะคอยกัดคอยฆ่ากันนะแต่เอ๊ะพอไปเจอซึ้งๆหน้านะเจอโดยโดยเหตุบังเอิญเนี่ยจะเอก็คืออะไมากลับไปพอดีท่านอาจารย์วิไลเขาบอก คงเดี๋ยวไปเย็นนี้ไปสวดอภิธรรมแทนหลวงพ่ออแทนอาจารย์หน่อยนะอาจารย์ไม่ไมีไม่ได้ไปเขาก็มารับเรามารับเราตอนเย็นเย็นมืดๆอ่ะนะมารับเราเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นเราเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเขาขึ้นนั่งรถเขาก็ขับขับรถเขาก็อ่าขับรถเขาก็นั่งเราก็เปิดเขาก็เปิดประตูแล้วก็เข้าไปในรถหน้ารถนั่งหน้ารถจะเอีกันเลยเออ เราพุบพอพอธรรมดามันเห็นหน้าแล้วมันเนาะคนอาฆาตพยาบาทที่จะฆ่ากันเรียกว่าตามคนต่างนั่นแหะเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งว่างั้นเถอะพอเจอหน้าพุบเขานี่ตกใจนะเขาตกใจเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านนะเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นเพื่อนเพื่อนกันเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านเราเป็นพระนะพอเจอหน้าพุบมันก็บอกว่ามันเชื่อได้แต่เขาตกใจมากเลยเขาก็ไม่ทึกว่าเป็นเราเนะบอก เป็นไงเพื่อนเราก็ถามนะสบายดีเหรอเนะีมันก็ถามเาะนะเขาก็เออเออเอะเขาบอกสบายดีนะเอสบายดีนะพอไปส่งบ้านงานศพขากลับมาไม่รู้หายไปไหนเลยนะไม่มาส่งเราอีกเลยนะนะมันก็มันก็ไ ม, ม่มีอะไรนะเรามาดูใจเราแล้วมันมันไม่มีอะไรละไม่มีอาคาดพยาบาทมันไม่มีอะไรกับเขาแต่ก่อนมันไม่ได้อ่นะเราก็เห็นตรงนั้นเป็นผลประโยชน์ตรงนั้นนะมีอนิสงส์ตรงนั้น พอช่วยงานเสร็จปุ๊บรีบมาเลยมาที่หนองประหลอดมามาอยู่เนะี่ยมาจำมาสาอยู่กับหลวงพ่อที่เนี่ยนะต้นเหตุที่จะได้กลับมาอยู่ที่นี่ก็มาอยู่กับหลวงพ่อที่นี่นะแต่ก็มีพระติดตามหลวงพ่อมาก็มีหลวงตาแบนหลวงตาเลินหลวงพ่อถม ท, ท, ที่ที่มารุ่นเดียวกันแล้วก็พระที่อยู่สวรินทอั น, นั้นหลวงพ่อพาไปเข้าค่ายที่เชียงใหม่ก็นีนะตูไม่ไหวแล้วนะก็เหลือหลวงตาแบนนี่แหละ หลวงตาแบนหลวงตาแบนหลวงพ่อเลนหลวงพ่อถมอันนี้ก็โอ้โหหนักๆนะอหนักๆเลยมาสร้างน้ําตกตากตนเนี่ยหลวงพ่อให้สร้างหลวงตาแบนมือแตกมือเตียนหมดแล้นะในภาษาเนะหลวงพ่อหลวงตาแบนพูดอะไรมาเป็นหมดอะเป็นหมดแต่ทําไม่ได้หลวงตาแบนเลยหลวงพ่อเลยใช้ทําน้ําตกตรงนี้หน่อเนี่ยเป็นเขาอยู่ตรงเนี้ยนะ สำหรับอตาตมาจริงก็ตั้งใจนะตั้งใจพอเห็นอันะนี้สงตรงนั้นพอมันออกจากตรงนั้นได้อาตมาคิดเลยว่าจะทำตรงนี้แหละนะปฏิบัตนะิในเรื่องของการเจริญสติเนี่ยก็เลยทำมาตลอดนะเราก็มาอยู่ที่นี่อย่าไฟตรงนี้ส0สบหะนะ้าสิบวันอนอาตมาทำคนเดียวเนี่ยทำทำตรงนี้ทพอกลับมาจะเข้าค่ายที่ที่คอนสารสี่สิบห้าวัน กลับมาหลวงพ่อก็ใช้ให้ทําไฟเพราะว่าเร่งรีบในการก่อสร้างมันยังไม่เสร็จใกล้จะออกพรรษาจะข น, นาธรรมากลยทําำไฟนี้เนี่ยนะธารมากลาังทําอยู่หลว ง, งพ่อไปเอาคัดเอาตรงนั้นขึ้นอะไฟชดอา ต, อตมาเนี่ยชดอา ต, อตมาโอ้โหหลวงพ่อนะเอากันตายเลยลนะนะกำลังต่อไฟหลอดริมนู้น่ะหลวงพ่อไปเอาคัดเอาขึ้นตรงนู้นน่ะพอเรากําลังต่อไฟเดีไฟชอดเราแล้วเขามาดูใจ ดูใจนะมันมันกลับมาเลยกลับมาดูใจดูใจมันมันมันไม่ขุนนะมันไม่ขุนนี้ท่านสอบอารมณ์เราว่าเราจะมีสติหรือเปล่าโอ้ตรวสอบอารมณ์หนักนะเอาถึงตายเลยนะเนี่ยแต่เราก็ต่อได้นะต่อไฟเราก็ต่อได้เอาเอาเอาเพราะว่าทางนั้นก็ทํางานเราก็ทําต่องเราไปได้เพราะว่าไฟเดินอ่ะเราก็ต่อได้นะถึงไฟก็จะมาเพราะว่าเรารู้วิธีเราก็ต่อได้มันก็ต่อได้ไปเรื่อยเรื่อไฟเนี่ยเนี่ยทุกหลอดเลยแต่มา ต่อในติดที่คาดติดอะไรอาตมาทำเรื่องเรื่องไฟทั้งข้างบนข้างล่างนะนี่ก็ทำได้มาช่วยหลวงพ่อตรงนี้นะแล้วก็ตัวเองคิดว่าการปฏิบัติเนี่ยมันมีผลมากกับตัวเองมันคือมันได้เกิดใหม่นะได้เกิดใหม่นะจากคนทีนะ่ชีวิตเก่าๆเนี่ยมันมันมันหมดเลยนะมันไม่มีเกิดขึ้นมาอีกแล้วนะเราเราสามารถที่จะ เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยคือเราจะมาสร้างสร้างตัวใหม่สร้างคุณงามความดีสร้างสติปัญญาอตมาตั้งแต่บัดนั้นมานะเหมือนคนใหม่นะคนเก่าตายไปแล้วนะคนเก่าเก่าตายไปเราก็ได้มาเกิดใหม่มีอนิสงส์ก็คือได้มานาะมาเกิดเป็นก็เรียกว่าปถ้าเป็นลูกหลวงพ่อก็ว่าได้นะเพราะว่าท่านเอามาเลี้ยงที่นี่เกิดอยู่ที่นูน่นเอามาเลี้ยงที่นี่แล้วก็มาโตอยู่ที่นี่ไปแก่อยู่ที่ถ้าแสงเทียนนะอตมาก็ ก็เดินรอยตามท่านน่ะนะก็ทำในกิจวัตรในในออกจากนี้ไปนะในถ้ำแสงเทียนอนะัตอมาก็ทำหน้าที่นะทำหน้าที่ตรงนั้นก็คือทุกวันนี้ก็เหมือนกันทำกิจวัตรนะไม่ให้ขาดในเรื่องของการข้อวัดปฏิบัติและเรื่องการปฏิบัตินะก็เรื่องสาหรับในเรื่องของการปฏิบัตินะอัตมา คิดว่าเป็นมันเป็นงานของตัวเองแล้วนะเป็นงานที่เราจะต้องทำนะเป็นงานที่เราจะต้องทำไม่ว่าเราจะทำอะไรทั้งหมดเลยทุกวันนี้อตาตมาคิดว่ามันเป็นงานของพระอตาตมาก็เลยสอนพระเหมือนที่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อสอนนะทำงานนะงานนี้เป็นการฝึกสติเฉยนะงานเป็นการฝึกสตินะแต่ในรูปแบบเนี่ยเราจะขาดไม่ได้ถ้าเราในรูปแบบเนี่ยถ้าเรายังทาไม่เป็น ถ้าเราไปทำกับงานเนี่ยมันจะมันก็จะไม่เป็นนะเราต้องทำในรูปแบบให้เป็นซะ ก, ก่อนเราถึงจะไปทำในงานทำกับงานเนี่ยเราถึงจะทำเป็นนะเราถึงถึงจะไม่หงุดหงิดงุนงานเราถึงจะไม่หงุดหงิด ต, ติดอารมณ์นะถ้าเราทำไม่เป็นนะเราตอนแรกเนี่ยอาตมามา อ, อยู่ที่เนี่ยอาตมาอยากคือมันมันอยากปฏิบัติอย่างเดียวมันไม่อยากทำงาน อยากเก็บอารมณ์อยากเดินจงกลมอยากสร้างจังหวะไม่อยากทำงานแต่มันไม่ได้นะเราจะมาปฏิบัติอย่างเดียวไม่ได้หน้าที่ของเราเนี่ยเราต้องเราต้องอยู่กับนะการทำงานนะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ในกิจวัตรประจำวันของเราเนี่ยมันมีมากถ้าเราไม่ทำเลยนะเราจะมาอยู่นั่งยกมือสร้างจังห ว, วะเดินจงกลมเก็บร่วมอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้นะอตาตมาก็นี่แหละ เอาวิธีของพ่อเนี่ยไปฝึกพระไปสอนพระเพราะว่าพอเก็บอารมณ์สิบหวันเนี่ยท่านจะออกมาให้ทํางานสิบห้าวันทํางานกับเก็บอารมณ์เนี่ยเท่าเท่ากันเลยเหรอมือแตกมือแตนบาดลอกหลังลอกเนี่ยถ้าทำงานนะตื่นขึ้นมาก็ะทำแล้วงาน น, นะหกโมกลับมาจากบินธบาะก็โอ้ยนะงานนี้ไม่ต้องห่วงทําเหมือนเก็บอารมณ์เอาคนที่ทนไม่ได้ก็ยังหลวงพ่อถมเนี่ยกำลังทํากันอยู่หลวงพ่อถมเนี่ยอะไรวะ กูไม <So, S 1> right. ่อยู่แล้วเว้ยนะอืมกูไม่อยู่แล้วกูทุกจะตายไม่ให้กูทำงานแล้วนีไม่อยู่แล้วนะเนี่ยมาเจอหลวงพ่อไปทำทําไอ้ทํำใ้โรงเห็ดอยู่ตรงข้างทางหนองน้ําตรงนั้น่ะอือหลวงพ่อสมกณนี้ติดอารมณ์มากเลยจนกระทั่งทุกวันนี้ท่านก็อยู่ก็ไม่ได้ไปเจอที่ทําแสงเทียนท่านสอบรมท่านใสท่านไม่ได้ใส่อังสะลงมาแค่หลวงพ่อว่าไม่กี่คำอ่ะท่านไปเลยท่านอยู่ไม่ได้ทุกวันนี้ท่านก็ไปเป็นพระสมถะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะเนี่ยเป็นพระสวดพระสมถะ รครับนั่นแหละท่านทนไม่ได้อ่ะท่านทนไม่ได้ท่านอยู่ไม่ได้นะเนีย่ยอาตามาคิดว่าถ้าทนต่อคําสั่งสอนของครูบาอาจารย์ไม่ได้นะโอ้โหยลําบากไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ไม่ผ่านนะไม่ผ่านเพราะว่ามันถือว่าตัวเองเป็นใหญ่แล้วไม่มีครูบาอาจารย์แล้วนะนะคนเราเนี่ยถ้าไม่มีครูบาอาจารย์เนี่ยอย่างอตาตมาไปอยู่ที่ถ้าแสงเทียนนะถ้าไม่มีครูบาอาจารย์นะเขาเหยียบจมเลย หยับจมเลยนะเขาบอกยังเจ้าคณะอำเภออ่าที่ hog, อําเภอหนองบัแรงอ่ะเฮ้ยนนี้ลูกศิษย์มหาเลยด็อกเตอร์นะเขาว่ามหาด็อกเตอร์นะเออมหาด็อกเตอร์เออเฮ้ยเรานะถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์นะเขาบอกอธตมาเรารู้ว่าศิษย์ไม่มีอาจารย์เหมือนงูไม่มีพิษนะนะไม่มีครูบาอาจารย์ศิษย์นะศิษย์มีครูเหมือนงูมีพิษนะศิษย์ไม่มีครูเหมือนงูไม่มีพิษ นะทั้งๆที่เราไม่ต้องนั่นอะไรเลยก็คือมีอะไรปุ๊บข็เขาเขาก็จะไม่กล้าอะไรกับเราเขาต้องนึกถึงครูบาอาจารย์เราก่อนนะอันนี้อตะมาก็อยู่ได้ปลอดภัยเพราะบารมีหลวงพ่อนันเนีลยนะไม่ว่าเจ้าคณะจังหวัดก็แล้วแต่หรือว่าลองเจ้าคณะจังหวัดพอพอลองเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยมหาสมิญปทอ๊ะเนี่ยพอดีที่ที่ท่านไปอยู่ด้วยเยอะเดี๋ยวัชยชัยอะไรนะ เออมาหาเชนนลงเขาเป็นเพื่อนกันก็ไปหากันพอดีก็หลายๆรูปที่ที่เข้าไปไปอยู่ไปไ ป, ไปติบัติอุที่นั้นรู้จักกันก็เลยเป็นเออเราก็ยังดีนะยังมีบา ร, รมีอของครูบาอาจารย์แล้วเราก็ไม่ได้ทำเสียทำผลประโยชน์มากที่สุดที่จะทำได้ทั้งโรงเรียนนาโรงบาลก็ทั้งหมดนาพักดีชุมพลหนองโบแดงนงสังหา อ่เข้าไปโรงเรียนก็แถบนั้นก็ทั้งหมดเข้าไปใช้ประโยชน์แล้วก็ทั้งในอําเภอนะในอําเภอนี่จะหนักหน่อยเอายาเสพติเข้าไปนะเพราะว่าเราก็าบอเออเรารับได้หมดนะก็เลยเอาขี้เราเาขี้ยาขี้อะไรก็ไม่รู้มีแต่ขี้ขี้นะ่ะไปโยนไว้ให้เรานะอืมก็เลยเออคนไหนช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็เลี้ยงไปแล้วแต่เวียนตะกม น, นะเราก็ช่วยให้เต็มที่แหละแต่ก็ฟื้นกันเยอะนะฟื้นฟื้นกันเยอะนะแล้วแล้วก็พัก ที่นั่นก็อพอเห็นผลประโยชน์นลูกบวชเข้ามาแล้วได้ปฏิบัติได้ปฏิบัติแล้วก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของเขาได้แถมนั้นเขาก็เอาลูกมีลูกชายาก็เอาเข้าไปบวชที่นั่ น, นในอำเภอในตำบลนั้นนี่ก็มีตาพระหนุ่มนะนภาษาเนะ น, น, นี่ยมีแต่พระหนุ่มสิบสี่สิบสามสิบสีู่กเขาไปบวช ก็มีทุกปีมากทุกปีเยอะทุกปีนะสำหรับพระนมแต่ว่าถามว่าเป็นยังไง ม, มันแค่โยมมีลูกแค่สามคนเนี่ยลองคิดดูดิมันยังตีกันทะเลาะกันอะไรเยอะแ ย, ยะไปหมดเลยนะยังทะเลาะกันนะลูกสามคนเนี่ยแล้วเราเนะี่ยครอบครัวใหญ่เนี่ยทั้งโยมทั้งพระทั้งโอ้โหอาตมาก็เลยไม่แปลกใจว่าทาไมหลวงพ่อนะอาตมาก็งู้ว่าโอ้โหนะ โอ้ยหลวงพ่อนี่ทำงานหนักมากเลยนะจะมาเวร่อโอ้ช ah ีว e ิต ah oh, นะทำงานไม่ได้หยุดได้หย่อนเลยนะนะเพราะว่าคนเราเนี่ยจิตใจมันไม่เหมือนกันนะแต่ละคนเนี่ยความคิดนะสติปัญญาไม่เหมือนกันนะเราจะให้เหมือนกันทุกคนมันเป็นไปไม่ได้เราอยากจะให้คนนั้นได้ดีอยากคนนั้นได้ดีเนี่ยแต่ว่าเราอยากให้เขาได้ดีก็จริงแต่ว่าเขาไม่ทำอืมเราก็บอกว่ามาเข้ามาบวชแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะดีเลย มันไม่ใช่ว่าเป็นพระแล้วมันจะดีเลยมันไม่ใช่เป็นเป็นพระแล้วเนี่ยชั่วกว่าชาวบ้านกว่าเยอะแยะไปเ น, นี่ยมันก็เราก็ต้องตรงนี้แหละอัตมาก็เลยได้มองเห็นคุณของอกุบาอาจารย์ว่าท่านทํางานหนักมากอัตมาเนี่ยอยู่กับตางปีเนี่ยอยู่กับพระกับโยมแล้วก็มีแม่ชีมีอะไรเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องบริหารแล้วก็พาเขาปฏิบัติ แล้วก็ต้องรู้จักแบ่งว่าคนไหนเข้าครัวได้คนไหนเก็บอารมณ์คนไหนจะปฏิบัติอยู่ร่วมกันเราก็ต้องแบ่งแยกออกคนไหนรู้เท่าไหนอะไรเท่าไรเนี่ยเราก็ต้องแบ่งแยกออกคนไหนที่สมควรที่จะเก็บอารมณ์พอจะรักษาแก้อารมณ์ตัวเองได้แล้วเราก็ต้องแบ่งแยกออกแล้วคนไหนที่ยังหนายังยังแน่นอยู่เราก็ต้องมา คอยตีคอยทุบอยู่ข้างนอกนี่นะเนี่ยมันเราก็เลยไม่ไม่ไมได้หยุดนะ่ะเราก็ต้องมาทํำกับเขาต้องมาเดินจงกรมอยู่ด้วยกันนี่แหละจะไปไหนก็ไปยากนะเนะี่ยก็ต้องมาปฏิบัติคอยนี่แหละเป็นหมู่เป็นคณะอยู่ด้วยกันสําหรับปีนี้ก็เหมือนกันนะก็แยกกันเปลี่ยนกันเก็บอารมณ์ในภาษาเนะ่ยเรื่องงานก็เล็กๆน้อยนก็คือฝึกในการทํางานในเรื่องของการปฏิบัติ ว่าสําหรับอาตมาเองนะอาตมาคิดว่าในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยถ้าอาตมาไม่ได้มาเกิดใหม่ไม่ได้มาเจอตรงนี้แล ะ, ะไม่ได้มาเจอหลวงพ่ออาตมาคิดว่าชีวิตของอาตมาคงจะไม่ได้เกิดจริงๆไม่ได้เกิดเพราะว่าไปนิพพานนะไม่ได้เกิดเพราะว่าไปนิพพานนะไม่ได้เกิดเพราะนารกขุมสุดท้ายนะอาตมาคิดว่าโอยนะอาตมามาดูแล้วเนี่ยอาตมาตกนรกเนี่ย ผ่านมาหมดเลยนะเดรฉานก็ผ่านเปตอสุรกายผ่านหมดเลยนะผ่านเลยอืมตกไปทั้งหมดเลยกระทะทองแดงก็ตกนะกระทะทองแดงก็ตกมันตกยังไงพอมันคิดมากๆหาทางออกไม่ได้ก็ก่อเข้าไปเกาะเกาะกาะกอะเข้าไปอืมมันหมาเลยรนะนอนมันหมาแหละนะพอไปแล้วโอนี ja ่น <Kah> ี <ina> premier, ่กระทะทองแดงมันไม่ต้องไปดูที่อื่นเลยนะไม่ต้องไปดูเลยน่ะชีวิตที่ยังมีชีวิตนี่แหละนรกเนี่ย ไม่ต้องไปเอาตอนตายนะสวรรค์ไม่ต้องไปเอาตอนตายนิพพานไม่ต้องไปเอาตอนตายนะตอนเป็นๆ เ, เนี่ยหละจะเห็นถ้าเราไม่เห็นตอนเป็นเนี่ยหมดสิทธิ์เลยหมดสิทธิ์เลยว่าพอมาทําบุญเรื่อมาติบัดเล็กๆน้อย ๆ, ๆมาภาวนาะนะ่ะมาอ้อนวอนเอาอย่างนั้นไม่ได้สาธุนะ่ะทําบุญร้อยหนึ่งขอให้ได้ไปนิพพานเนี่ยโอ้โหถ้ามันซื้อได้ซื้อสวรรค์ซื้อนิพพานได้เนี่ยไม่มีคนตกนรกหรอกนะอาตมามาดูนะ พอเห็นแล้วโอ้เผลอไม่ได้นะขนาดเราอยู่ขนาดเนี้ยเผลอมันก็ยังจะพาเราไปนรกอีกนะเผลอไม่ได้นะเนี่ยก็เลยมาคิดว่าโอ้คูบาอาจารย์มาบอกให้มีสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะเป็นอะไรตอนไหนนะไม่รู้เราจะเผลอตอนไหนอ่ะมันต้องนะมันต้องให้มันนะให้มันทีเลยในในเรื่องของการปฏิบัติรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะต้องเนี่ยเขาเรียกว่าให้มันเป็นอัตมัติ อัตโนมัติหรือปารมัตดปารมัดอัตโนมัตินี่แหละให้มันเป็นอัตโนมัติให้ได้นในการปฏิบัติเนี่ยถ้างั้นเราพอเผลอปุ๊บไม่ใช่ว่าเรามานั่งยกมือสร้างเหว่าเดินจุง ก, กมเฮ้ยไม่ปิดเลยเว้ยประตูนรกปิดแล้วนะมันปิดไม่ได้นะยังปิดมาถ้าเผลอเมไรก็ไปเมื่อนั้นแหละเผลอเมไรก็ไปเมื่อนั้นแหละนะเป็นสัตว์ดีละฉานก็เป็นนะโกรธขึ้นมานะพอเขามากระทบหน่อยเขาว่าไม่ดีหน่อยนะนะเหมือน มันยายใหม่นะโหเป็นเจ้าภาพคนนี้นะเจ็กปันนี้เป็นเจ้าภาพไปหลวงพ่อมามาปฏิบัติบ้านเก่านะอันเป็นเจ้าภาพมีเท่าไรทุ่มนะอ่าทุ่มเลยอพอเขาบว่าโอ้ยเจ้าทาบุญเอาหนาที่ยายใหม่โวใหญ่ใ ห, ม, ใหม่ขึ้นมาเลยตาปูดตาโป้กันมามดเลยนะมันไม่ได้นะเออเนี่ยมันมันไม่ธรรมดานะเผอไม่ได้นะเผอไม่ได้เผยนระกนะอนรกแน่เลยนะท่านที่บอกว่า การปฏิบัตินะต้องให้เป็นปรมัตดนะให้มันเป็นอัตโนมัติอัตโนมัติถามมึงเพราะว่าปารมัตดมันมีอยู่สามระดับขั้นต้นๆ น, น, นี่ก็เสือนะเส่อมได้เหมือนกันเสื่อมได้มันถอยหลังได้นะถอยหลังได้มันยังยังไม่สูงสุดอะ่ะมันยังถอยหลังได้นะ่ะถือว่าอุย้ยเราเนี่ยรูเข้าใจแล้วนะอ่ะโอเหมือนเรามีเงินเยอะๆนะมีเงินสักสิบล้านเนี่ยมึงอ้กูรวยแล้วนะอ่านะแจกอย่างเดียวให้อย่างเดียวใช้อย่างเดียวแต่ไม่ได้คืนเลย น่ะไม่ได้คืนเลยนะ่ะถามมาหมดไหมไม่เหลือนะไม่เหลือเลยเผือแพีบเดียวแต่ถ้าเป็นเงินถ้าเป็นทรัพย์สินภายนอกแล้วเราจะมองเห็นได้ชัดแต่ข้างในสิหลงตัวเองอ่อื ม, มรู้แล้วเป็นครูบาอาจารย์คนได้แล้วสอนอย่างเดียวเอาอย่างเดียว อ, าอย่าให้อย่างเดียวแล้วก็มาติดญาติโยมก็ติดอะไรก็ติดติดทั้งญาติโยมโยมก็ติดเขเนี่ยต่างคนต่างติดติดไปติดมาไม่มีเวลาได้ปฏิบัติเลยเพราะมันยังไม่เป็นอั ต, อตโนตโมัติที่ อ่าสูงสุดนะช er mm ั hmm. ้นสูงสุดอย่างครูบาอาจารย์อาตมาก็เลยไม่แปลกใจว่าทําไมท่านยิ่งใช้ชั้นยิ่งทิ้งทึงได้ยิ่งรวยยิ่งใช้ยิ่งรวยยิ่งใช้ยิ่งรวยใช้ไม่หมดมันลงพ่อนะขอขอเสียวเที่ยวหลวงพ่อทําไมท่านยิ่งใช้ชั้นยิ่งรวยชั้นยิ่งหมดแจกเท่าไหร่แจกเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักหมดน่ะเอออาตมาก็เลยไม่แปลกไม่แปลกใจไม่แปลกใจเลยดินกระดกท่านก็รู้ เงะซ้ายเงะขวามก้มเงยท่านรู้ท่านมีตัวได้พูดสองสามคันท่านได้มากยิ่งกว่านั้นอีกมันยิ่งรวยยิ่งค้าขายยิ่งยิ่งได้มันยิ่งรวยยิ่งอยากแจกอาตมาก็เลยไม่แปลกใจว่าทําไมนะครูบาอาจารย์ท่านถึงใช้ไม่หมดท่านถึงรวยไปทั่วโลกนะไปได้ทั่วหมดไอเรานี่ยังไม่รวยแค่ประเทศไทยยังไปไม่ทั่วเลยนะอันนี้ก็พยายามจะสะสมเหมือนกันนะพยายามจะสะสมให้อาจได้เที่ยวหนึ่งของครูบาอาจารย์ก็พอละนะ พอเอาเอาแค่ได้พออยู่พอกินนะพอได้แจกจ่ายให้คนยากคนจนที่เข า, อ, าอยู่ใกล้ๆเรานะเราก็ไม่ถึงเอากับไปทั่วหรอกนะเพราะว่าของเรามีแค่ไหนเราก็ใช้แค่นั้นนะแต่เราก็ยังพอมีพอใช้อยู่แต่ไม่ให้ถึงกับขาดทุนหรือว่าไม่ไ ม, มีเลยอย่างเงี้ยมันยากนะก็อาตมานะวันนี้ก็คงจะสมควรนะนะั่นแหละนะก็ องครึ่งแล้วเนาะก็ก็ขอตบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะก็เล่าประวัติเป็นเล็กน้อยให้ฟังนะอาตมาก็นี่แหละมีอะไรก็จะอาจติดตามครูบาอาจารย์ไปนะช่วยหลวงพ่อได้เท่าที่จะช่วยได้ก็ขออนุมโมทนาสาธุกับชาติยมที่ตั้งใจปฏิบัติอขอให้มีสติปัญญามีดวงตาเห็นธรรมด้วยกันทุกท่านทุกคนทอครับหลวงพ่อ ทั้งทั้งครัวถ้าพร้อมอะไรก็บอกนะในช่วงที่เราทำหลองประหลอดนี้รู้สึกว่ามีครูบาอาจารย์ที่เรามาอยู่ด้วยตั้งแต่สมัยแรกๆนี่หลายหลายคนในจารย์หาสุรินเจ้าคุณนุ่งยุทธ์ก็มาเริ่มที่นี่นะอาจารย์ศริยาอาจารย์แกสิน์อาจารย์คมกิจน้าจะไม่มาที่นี่อาจารย์ชยาอีกสิบไป ก็มันในการปฏิบัติบนหเทียนนี่เราจะสัมผัสตรงที่ว่ากายกับใจมันมันมาร่วมกันแล้วมันทุกอย่างมันหยุดนะแต่การเกิดมีสองอย่างการเกิดทางกายกับเกิดเกิดทางจิตการเกิดทางกายจากท้องพ่อท้องแม่เกิดครั้งเดียวนะแต่การเกิดหนาวเกิดร้อนเกิดเจ็บเกิดปวดเกิดเมื่อย เกิดเพรียเกิดสบายไม่สบายการเกิดแบบนี้มันมันแก้ไขได้หมายความว่าเราบำบัดได้ง่ายแต่การเกิดอีย่างหนึ่งการเกิดทางจิตการเกิดทางจิตมันเกิดเกียรติเกิดเครียดเกิดขุนเกิดรักเกิดช่างเกิดชอบเกิดไม่ชอบเกิดพอใจเกิดไม่พอใจเกิดเสียใจเกิดน้อยใจ เกิดแบบนี้พุทธิย้าบอกว่ามันมันแก้ยากเพราะว่ามันจะพิกจะเปลด่ยนยังไงมันก็ไม่หายเหมือนเกิดทางกายนะกายนั่ ง, งนี้ปวดก็พิกมันก็หายแล้วแต่ถ้ามันเกิดไม่พอใจเนะี่พิกอย่างไรเปลี่ยนยังไงมันก็ไม่หายนะเพราะฉนั้นอามาก็เลยว่าอู้พุทธิย้าได้ให้สิ่งพิเศษกับเราคือได้เห็นการเกิดและการดับ มันก็จะไม่สงสัยเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องนิพพา น, เ ร, น, านเรื่องอะไรต่างเพราะไม่สงสัยนี้มันทำให้เราเห็นประโยชน์ของร่างกายว่าถ้าเราจะ อ, าอยู่เฉยๆมันไม่ได้เพราะว่าวันหนึ่งก็ต้องตายไปเราจะไม่ได้ประโยชน์จากมันก็ใช้ใช้เป็นประโยชน์แล้วคนที่ไม่รู้เนี่ยเยอะแยกมากมายคนที่รู้ เท่ากับเขาวัวเท่ากับหางวัวเท่ากับหูวัวเนะีแต่คนไม่รู้มันเท่ากับขนวนะัวเนี่ยโอ้ก็ทําให้เราอยู่เฉยไม่ได้แต่ทำไงให้เขาเขารู้เขารู้ว่ามันมีการเกิดขึ้นมันก็ไม่ใช่เรื่องยยากใช่ไหมการเกิดเจ็บเกิดปวดเกิดเมื่อยเกิ ด, ก ด, กดของร่างกายนี่ก็รู้อยู่การเกิดความคิดไม่คิดนี่ยากหน่อยแต่ถ้าไม่มาปฏิบัติเนี่ยแทบจะรู้ไม่ได้เลยนะการเกิดทางจิตเนี่ย เพราะอะไรเพราะมันยังไม่เห็ น, มนไม่มีดวงตาเพราะนั้นเวลาพระพุทธเจ้าท่านแสงธรรมท่านก็เพียงแต่ว่าให้เปิดดวงตาพอเห็นดวงตาเห็นธรรมคือเห็นการเกิดความคิดในใจของตัวเองอเนี่ยก็ชื่อว่าได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วนะเพราะนั้นที่ว่าเป็นพระสุดาบันเนี่ยคือเห็นเห็นการเกิดในใจได้แต่ว่ามันจะเห็นแป๊บเดียวก็ลืมนะคือเห็นได้เรื่อยๆอ พอเห็นการเกิดในใจปอบสิ่งที่ยืนยันว่าเราเห็นการเกิดในใจของเรามีสมเรื่องหนึ่งเรื่องเห็นการเกิดความคิดถ้าหากว่าเห็นการเกิดความคิดก็จริงแต่ถ้าเรายังเห็นว่าความคิดเป็นของเราเราคิดเราชอบเราไม่ชอบตรงเนี้ยมันยังจะเห็นไม่ได้สมบูรณ์ถ้าเห็น เฉยๆแต่ยังทำอะไรมันไม่ได้เนี่ยเขาเรียกวมักนะแต่พอเห็นแล้ววางพอเห็นเขาว่าเราเราไม่สำคัญว่าคำที่เขาว่าเราเขาว่าเราแต่เขาไม่มีไม่มีคนที่เขาว่าเรามีแต่รูปกับนามเราก็มีแต่รูปกับนามแต่สิ่งที่มากระทบเนี่ยมันก็เป็นรูปอันหนึ่งทีนี้พอเราไม่ได้เจริญสติเนี่ยร้อยทั้งร้อยเลยมันไปเห็นว่า มีคุณว่าเราแล้วมีเราเป็นผู้รับแล้วก็ไปสำคัญว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในใจนั้นว่าเป็นของเราตรงนี้มันก็จะทุกข์เพราะตัวนั้นแหละทีนี้พอมาทำความเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ให้โยมทำเอ๊ะมันเขเข้าใจได้เ น, เนะเาะกเห็นความคิดมาเห็นทีนี้พอเรามาเช่าพาทำงานเพราะอะไร เพาเวลาทํางานมันเจอของจริงใช่ไหมมันชอบก็ชอบจริงไม่ชอบก็ไม่ชอบจริงมันเบื่อก็เบื่อจริงที่ถ้าหากว่าคนไหนเขาไปเห็นความชอบไม่ชอบความเบื่อความอะไรเป็นเป็นอาการของจิตแต่ไม่ใช่เราเนี่ยมันจะมันจะเห็นได้ง่ายเราเห็นได้บ่อยๆแต่ถ้าเราไม่มีตัวงานเข้าไปเลยเนี่ยมันไปคิดเอาไปคิดว่าความชอบเป็นอย่างนี้ความไม่ชอบเป็นอย่างนี้แต่พอไปเจอความชอบของจริงแล้วเนี่ยมันทําไม่ได้ แต่พอไปทํางานเนี่ยมันเห็นความชอบไม่ชอบจริงจริงตรงนั้นมันก็จะทําให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยได้ฝึกได้ฝึกดูของจริงไปเรื่อยๆอมาเคยปฏิบัติเคยเก็บอารมณ์เนี่ยพอมันติดอารมณ์มาในความคิดเนี่ยมันมันออกมันเข้าไปในความคิดออกมาได้พอเราไปทํางานหนักๆเนี่ยมันลืมเลยนะลืมที่เราเข้าคิดเนี่ยแล้วก็มาอยู่กับความรู้สึกมันเหนื่อยมันหนักของกาย พ๋อใจของเรามาอยู่ความหนักความเหนื่อยของกายพักเฉยๆเนะี่ยมันปรับได้มัน อ, ออกได้เนะี่ยพราะมันเหนื่อยก็พักมันร้อนก็พัดก็วีก็หายก็เลยวิธีการอนุโมิเห็นคือมาเน้นที่กายนะี่ถูกต้องแล้วเพราะมันจะออกจากความคิดได้ง่ายแต่ถ้าหากว่าเราจะออกจากความคิดออกจากอารมณ์ยิ่งคิดมันยิ่งติดนะแต่พอเรามาสร้างความรู้สึกชัดๆเฉพาะยกมือนี้ไม่พอ ดินยกคุมั่ไม่พอนะเวลามันติดความคิดมันหนักหนักพอเราไปยกหินไปหิวน้ำไปยกไม้ไปทำอะไรสักอย่างเนี่ยความรู้สึกมันหนักมันชัดกว่าเพราะนั้นน่ะมันเมันทาได้ทุกเรื่องเพราะอะไรเพราะมันมันมันเป็นการสร้างความรู้สึกที่จริงๆเห็นจริงๆเพราะความไม่สบายทางกา ย, ยมันแก้ไขได้ง่าย จะเจ็บจะป่วยจะหนักยา่าเงื่อไหลไขย้อะมันก็ไม่กลัวเพราะอันนั้นมันคือทําให้เราเห็นเราเห็นความจริงแต่พอมันเกิดความคิดขึ้นมาปั๊บนี้มันก็ปล่อยได้ง่ายละเพราะมันเห็นความใจของเรามาอยู่ร่างกายชัดตลอดเวลาเพราะเราเห็นเวทนาชัดเพราะจิตของเรามามาอยู่กับเวทนาทางกายได้ชัดตลอดเวลานี้่การที่จะมันจะไปเผลอคิดเนี่ยมันก็น้อยลง แต่คนส่วนใหญ่ยังไม่เห็นความรู้สึกทางกายชัดและยังกลัวอยู่กลัวการกลัวงานกลัวหนักกลัวเจ็บกลัวป่วยกวลัวร้อนกลัวหนาวมันก็คนจริงอันนั้นของจริงท่านั้นเลยนะ่ะเวทนาทางกายของจริงท่านั้นเลยถ้าเราไม่กลัวแต่ว่าเราก็ไม่ปล่อยถึงเวทนาทางกายให้มันเกิดความเจ็บป่วยอะ่ะแต่เราใช้เป็นอุปกรณ์มาเลียเปรียบเสมือนว่าเวลาความรู้สึกทางกายชัดๆเนี่ย เหมือนกับเราเอาผ้าเนะี่ยชุบชุบน้ำที่นี้เวลามีสะเก็ดไฟอะไรกิจตกลงมาเนี่ยไฟมันจะดับนะความคิดสิ่งที่มากระทบเราเนี่ยมันเป็นการกระทบเป็นผัสสะเนี่ยมันเป็นถ้าหากมันมาด้วยความไม่พอใจมันเป็นสะเก็ดไฟแต่พอมาถูกกับความ ใจของเราที่มีความรู้สึกตัวชุ่มโชคอยู่นี่อันนั้นมันก็จะดับใครจะมาพูดมาด่ามาว่าอะไรนี่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เกิดติดไฟใจเราไม่ติดเลยนะจะมาทดสอบหลายอย่างทดสอบตัวเองทดสอบให้เวลาเขาเข้าใจผิดเราเราก็บอกเออคุณต้องว่าอนไ้ความจริงเป็นยังไงบางครั้งเขาก็มานั่งว่าเรานะ่านั่งด่าเราเราก็มาดูใจเราแล้วคุณก็ว่าไปให้เต็มที่กันแล้วกันล้วก็ฟัง แล้วก็ดูใจเราว่าาใจเราเป็นยังไงบ้างเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่มาแกล้งว่าเราเป็นเรื่องจริงๆนะแต่เป็นเรด็นเขาจริงเถอะเขาค่อยเจผิดเท่นั้นเองว่าไปพอ เ, เจอหลายครั้งต่อหลายครั้งเออจิตมันนิ่งอามาก็เลยว่าโอ้การปฏิบัติธรรมแบบหลวงพ่อเทียนนะ่ะมันต้องเจอของจริงในสายอื่นเราผ่านมาเยอะนะแต่มันไม่เจอของจริงมันหลบอะ่ะมันหลบถ้ามันไปติดสบายไปติดชานไปติดสุขไปติด อสบายก็ทําให้มันไม่ผ่านมันไม่ผ่านพอมาเจอวิธีการนักวิทยเรียนมาอยู่กับครูอาจารย์เวลาจะสอบอารมณ์มันมาไม่ใช่เป็นไงรูปนามเข้าใจรูปนามหรือยังเข้าใจสมมุติหรือยังเข้าใจปรมัดหรือยังไม่ใช่นะท่านก็จะชวนทํางานพอทําอะไรพลาดขึ้นมาเนี่ยท่านว่าเราเลยน ะ, ะท่านว่าไอการที่ว่าเรานี่ยแหละเป็นการสอบอารมณ์ละ ว่าเราจะหวั่นไหวไหมเราจะโกรธไห ม, เ ร, รไหมเราจะขุนไหมซึ่งใหม่ๆ ม, มันทาใจยากนะตัวอะไรเรียนมาตั้งเยอะทําได้แค่นี้เหรออะไรทั้นองนี่ใช่ไหมสอบมาได้ไงเนี่ยอะไรทั้งนองเราก็ดูละดังนั้นในวิธีการขพุทเธียนนั้นเป็นวิธีการทําให้เราสัมผัสความรู้สึกจริงๆนะเนี่ยที่ตรงเนี้ยแต่ใครสัมผัสความรู้สึกจริงๆแล้วจะ รู้ทันหรือไม่ทันเนี่ยอันนี้ตัวใครตัวมันหลวงพ่อเทียนก็ช่วยไม่ได้ละเราตัวใครตัวมันบางคนก็รู้ได้เร็วบางคนก็รู้ได้ช้าคนไหนรู้ความจริงตรงนี้ได้เร็วยอมรับความจริงได้นี้เร็วก็เข้าถึงธรรมะได้ไวอแล้วคนไหนรู้ได้ช้าเข้าถึงได้ช้าหรือไม่เข้าถึงเลยนะอย่างหลวงพ่อบุญถมที่อาจารย์พงษ์ว่าเมื่อกี้ท่านเป็นคน ท่านเคยเป็นคุณซ่อมรถเป็นช่างซ่อมรถมาก่อนเนะาะมาพอมาอยู่ว่าท่านดูแลเรื่องรถงานบางอย่างท่านไม่ถนัดไปทําอย่างอื่นท่านไม่ถนัดถ้าไปให้ให้ไปใชใ้ท่านทำท่านจะติดอลรมนะแต่ถ้าเรื่องรถ้เท่าไหร่เท่ากันต่อมาก็ทางแหลมสิงพระขาดพระไม่พระที่เจ้าสํานักไม่มีสมัยนั้นก็เลยส่งหลวงพ่อบุญถ ม, มไปไปอยู่ที่นั่นนานนะ แต่ท่านไปติดวิปัสนาที่นั่นเน่ยไปติดวิปัสนาพอติดวิปัสนาแล้วออกไม่ได้แต่บอกให้กลับมาวัดก็ไม่มาก็ไปทั้งนั้นอยู่ไปอยู่มาจนกระทั่งอยู่ได้ถึงทุกวันเน่ยตอนนั้นนมาทําถนนขึ้นภูเขาขึ้นดอยท่านโทรมาไงวะลูกโทรมาหลวพ่อจะให้ผมช่วยอะไรบ้างแล้วก็ พ, ออพระอุปนาใหญ่เนี่ยผมตอนนี้เป็นพระอยู่ที่วัดไผ่ล้อมอยู่จันท บ, บุรี เขาจะให้พระครูใ hmm. ห hmm. ้เจ้าคุณอะไรไม่รู้จะให้ผมช่วยอะไรบ้างพอดีตอนนั้นเรากําลังทําถนนโอ้ผมต้องการทรายมาผสมปูนผสมหินทําถนนเออหลวงพ่อจ้ากี่รถว่ามาเลยเพราะงั้นบอกผมให้ซีบรถเลยก็ได้มาซีบก็รถก็ก็เนี่ยคือถ้าทนอยู่ได้จนพ้นอารมณ์เหล่านี้ให้อยู่ได้นตอนนี้ก็ยังอยู่หลวงพ่อบุญถม เพราะว่าแกเคยเป็นช่างส้มแต่ว่าพี่แกเป็นขาลาิการอยู่ที่พิโลกนะเป็นขาลาิการชั้นสูงกันแต่ว่าท่านเป็นคนที่เรียกว่ า, าการเรียนไม่เก่งก็ออกมาทางนั้นดังนั้นการปฏิบัติเนี่ยเราเราต้องผเผชิญของจริงนะนั่งปฏิบัตินี่เป็นการซ้อมเฉยๆนะนั่งนานๆเดินนานๆเนี่ยเวลาบางคนเดินไปสักพักเนี่ยเวลาหนัก ปวดแข้งปวดขาก็คิดละเอจะไม่ไหวเดินนั่งสร้างจังหวะไปมันปวดหลังปวดไหล่ก็ไม่ไหวละแต่ถ้าขณะที่นั่งปฏิบัติถ้ามันมีเวทนานะเราปรับทีละนิดไปเรื่อยๆไม่ต้องคือร่างกายมันปรับได้เรื่อยๆนะมันมันมันไม่ใช่ว่าจะกดอยู่ตรงนั้นร่างกายมันปรับอยู่ที่ใจของเราต่างหากถ้าใจของเราไม่เอาเนี่ร่างกายมันจะร่างกายมันจะสบายขนาดไหนมันก็ไม่เอานะ แต่พอใจของเราสู้เนี่ยร่างกายมันจะหนักหน่วงขนาดไหนมันก็บำบัดได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นแต่ละปีเนี่ยจะมาทํางานเยอะแยะแล้วก็มีอุบัติเหตุบ่อยๆเนี่ยถ้าไม่จําเป็นจ ร, จริงๆมันไม่บอกให้ใครรู้นะถ้าไม่หนักหนาสาหมดเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราจะได้ดูดูเวทนาของเราไปเรื่อยๆดูเวทนาแล้วก็ศึกษาเวทนาทางกายที่มันหนักหนักศึกษาเพื่ออะไรเพื่อจะทําอะไรให้มันได้ความรู้จักมันน่ะ ได้คนรู้จักทุกขเวทนาแล้วพอได้คนรู้จักมันคนอื่นเขาเป็นขึ้นมาเนี่ยเราก็ไปช่วยคนอื่นต่อแต่เราเรียนรู้จักตัวเองนะทะ้ง น, นั้นความจริงเที่ยวนี้ที่มาเกิดอุบัติเหตุก่อนรับกระถินปีเนี้ยที่ว่าเหยียบบันไดแล้วกัหลังกระแทกพื้นพุท่าถ้าไม่ได้ปฏิบัติในวันกันหนักเข้าโรงพยาบาลหลายวันอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเหมือนกับมีอะไรนะมีสิ่งช่วยนะ อันนั้นก็มาอันนี้ก็มานีมาพึบพับพ พ, พช่วยกันสองสาวันก็ดีขึ้นก็ทำให้เรางานไม่ขาดช่วงทำได้นะนี่เป็นครั้งแรกไม่ไปไปหาหมอคุณไปหาหมอจัดกระดูกที่ร้องกวางเนะ่คุณก๊อตที่มาขับรถแกไม่รู้เลยนะจะมาเป็นนะเพราะแกไม่ทำเอามาไม่ทำให้เห็นว่าเราป่วยนะทำเฉยๆนะแต่ช้าหน่อยในกะาร จ, จะผิดปกติก านะก็คอยศึกษาไปดูไปเพราะนั้นเวลาเราปฏิบัติจริงๆแล้วเราจะสุขก็ไม่ติดเราจะทุกข์ก็ไม่กลัวเรากับใช้สุขใช้ทุกข์เป็นอุปกรณ์ของการปฏิบัติเพราะนั้นอย่าอย่าไปกลัวแต่จงใช้มันเราใช้นรกใช้สวรรค์เป็นอุปกรณ์เพื่อเข้าถึงนิพพานไปนรกก็อย่าไปกลัวไปสวรรค์ก็อย่าไปไปติดเราใช้สุข ก็คือสวรรค์ใช่ทุกก็คือนรกนั่นแหละอาจจถ้ามันทุกข์สุขทางกายเนี่ยก็เรียกว่านรกทางกายถ้าสุกทุกข์ทางจิตก็ว่ายกลกสวรรค์ทางจิตแค่นั้นเองอถามว่าที่ว่าไม่ไม่สงสัยเรื่องนรกสวรรค์เพราะอะไรก็เพราะมันเห็นนะมันใช้ทุกวันนะ่ใช้นรกสวรรค์ทุกวันนะแล้วจะไปสงสัยอะไรแล้วถามว่าตายไปมีไหมเนี่ยไม่ต้องไปถามถึงมันนะเพราะเราเห็นตั้งแต่ตายไปมีไม่มีก็ปเป็นเรื่องของมันลนะ แต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่างนี้ว่าถ้านรกสวรรค์มีจริงเนี่ยเราเข้าถึงตอนที่เรามีชีวิตยอยู่ในีเสียถ้าหากว่านรกมีจริงเราก็ไม่ไปเพราะเรารู้จักแล้วที่จะไปทำไมถ้าสวรรค์มีจริงมันก็ต้องได้ไปแน่นอนเพราะเราไปตั้งแต่ไปมีชีวิตยอยู่แล้วแต่บอกว่าไปนรกไปสวรรค์มัยังมันยังเกิดยังตายอยู่นะ ถ้าทางที่ดีอย่าไปเลยท่านบอกว่าไปนิพพานดีกว่ามไม่ต้องมาเวียนสุขเวียนทุกข์กเวียนเกิดเวียนใจเพะนั้นเราปฏิบัติที่ไม่ใช่ธรรมดานะเราต้องการไปนิพพานนะเราไม่ต้องการไปนระ ก, กการไปสวรรค์แต่ว่าใช้สุขใช้ทุกข์เป็นเครื่องมือสุขเหมือนบันไดเหยียบลงทุกข์เหมือนบันไดที่ยกขาขึ้นนึกถึงบันไดไหมมันมีสองคอนเซปต์นั่นนะมีเหยียบแล้วก็มีขึ้นใช่ไหมเหยียบมันลงใช่ไหม แลยขึ้นหรือยกขึ้นเหยียบก็ลงเหยียบลงรู้สึกสบายใช่ไหมพอยกขึ้นรู้สึกหนักนะมั น, นั้นก็มีสองอย่างควาสุขเวทนาทุกเวทนานรกสวรรค์บุญบาปสบายไม่สบายพอใจไหมเพราะอยู่แค่นั้นมีแค่สองอย่างแค่นั้นน่ะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ใช้มันเป็นเครื่องมือเราก็จะวนเวียงนั้นนหะแต่ถ้าเราใช้ความสุขความทุกข์ความหนักความเบ au, าของสุขทุกเป็นเครื่องมือ มันก็พ้นเหมือนกับพ้นจากบันไดขึ้นไปอยู่บนบ้านบ้านนั้นคือตัวนิพพานไปนที่พักนรกสวรรค์คือขั้นบันไดที่เหยียบขึ้นไปแต่ถ้าหากว่าเราเหยียบอยู่แค่บันไดเราไม่ขึ้นถึงตัวบ้านนะเราก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่อย่างนั้นแหละนี่คือเรื่อการเว้นว่ายใจเกิดนะเพราะนี้อย่าไปสงสัยเลยถ้ายังสงสัยก็ถือว่ายังไม่มีบุญเท่านั้นเนะี่ย ก็สงสัยไปเรื pues os, pues hadi, ่อยๆจนวันหนึ ay, ่งปฏิบัติมันหายสงสัยนะ